สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังค ม, มบุรีรัมย์เรื่องล ม, มวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ fm 1 0 1 7เ MHz ม am 1368 kHz กสิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมรย์ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร0 1 7 5เมกะเฮิร์และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิร์ตต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 เดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบเส้น จ, จึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมนุ่งหวังน้วงใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้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 บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสัทธาบัน าเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา ท่าผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันช่วงนี้นี่ต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด n i โควิดสิบเก้แถวสมุทรสาครกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรเพราะหลายๆฝ่ายนี่ก็กังวลนะครับนะพะกัน กระจายตัวกันไปในหลายจังหวัดนะครับว่าจะป้องกันกันอย่างไรจะควบคุมกันกันอย่างไรนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ก็ส่งผลแหละครับนะทั้งการท่องเที่ยวการค้าการขายอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเผยผลคัดกรองโควิดเชิงลุกนะที่สมุทรสาคร น, นะครับก็บอกว่าเอาแรงงานพมา่าเนี่ยนะครับมาตรวจ เาพันราเลายผลแ l บออกมาบอกว่านะผลแ l บนี่ออกมาแล้วประมาณ 6,314 รลายนะครับพบว่าติดเชื้อประมาณ 1,200 ร้ยกว่ลายนะจาก 6,000 นี่ติดเชื้อประมาณ 1,200 นะครับก็ประมาณ 20% นะครับนะก็คิดเป็น 19% นะของภาพรวมของการติดเชื้อก็ลดลงนะซึ่งผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบ ในโรงพยาบาลก็มีอยู่76รายก็ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครเนี่ยเป็น 1,278 รายและมีผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่ที่สมุทรสาครเนี่ยซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าที่มาขนส่งนะมารับซื้อกุ้งไปนะกระจายไป ขายในจังหวัดตนเองเนี่ยกระจายไป22จังหวัดรวม65สิบรายก็คือมามารับซื้อนะกุ้งแล้วก็เอาไปจําหน่ายยังจังหวัดตนเองนะแล้วก็ติดเชื้อไปด้วยละครับประมาณ665รายก็จะแนะแว่ากระทรวงนี่บอกว่าคุณหมอเนี่ยแนะนำว่ากับประชาชนที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะในในสมุทรสาครได้แก่ตลาด างที่จำหน่ายกุ้งแล้วก็มีตลาดทะเลไทยตลาดมหาชัยแล้วก็ชุมชนซอยเศรษฐกิจ13เนี่ยอาจจะเป็นชุมชนที่แรงงานพม่าอยู่ก็ได้นะครับให้ไปไปรับการตรวจหาเชื้อนะครับนะของโควิด -19 เนี่ยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านคือท่านอยู่จังหวัดไหนก็ไปไปตรวจหานะครับนะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพอไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยโอกาสจะติดก็มี ซึ่งในในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะก็เปิดเผยเมื่อวันที่23ธันวาคมนะที่ผ่านมานะครับนะก็บอกว่าตอนนี้นี่อย่างที่บอกนะสถานการณ์โรคโควิด1 i โควิด -19 ที่สมุทรสาครก็บอกว่า อย่างที่บอกแล้วครับว่ามีจากไปตรวจ 9,000 ลายเนี่ยผลออกมา 6,000 ลายติดเชื้อประมาณ 1,200 รลายนะครับซึ่งตรง น, นี้ก็เปิดเผยกันมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็หมอนแนะนำนะครับว่าคนที่ไปไปซื้อกุ้งไปอะไรต่างๆขนถ่ายอาหารทะเลจากสมสุทรสาครให้ไปตรวจที่โร ง, งพยาบาลใกล้บ้านนะครับซึ่งใน22จังหวัดนะ 65ลายที่ติดไปจากสมุทรสาคร น, นี่เขาเปิดเผยมาแล้วประกอบด้วยกรุงเทพมีจำนวน16ลายนะครับนะก็อยู่ใกล้ใกล้สมุทรสาครมีนครปฐมอยู่10ลายนะครับ8ริ้วหรือจะเชิงเซา6ลายสมุทรปราการและสระ บ, บุรีจังหวัดละ5ลายนะครับปทุมธานี3ลาย ที่กำแพงเพชรนนทบุรีปราจีนบุรีอยุทยาจังหวัดละ2รลายนะครับและทีะ่หนึ่งลายก็ได้แก่จังหวัดกระ บ, บีะ่ขอนแก่นโคราชนะก็ติดเหมือนกันภาคอีสานติดมา1ลายและมีเพชรบุรีเพชรชบูรณ์ภูเก็ตสุพรรณบุรีอุตรดิตถ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัะจวบ ชายนาฏนี่ก็ติดมาจังหวัดละ1รายแล้วครับที่เก่ามานี่นะครับซึ่งตัวเลขของแต่ละจังหวัดอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าหากมีการสอบสวนค้นหาผู้ติดเชื้อนะครับนะซึ่งตรงนี้หมอก็บอกว่าอย่างงั้นนะเพราะว่าคนที่ไปติดมาก็ต้องไปคุกคียอยู่กับญาติพี่น้องนะคนใกล้ชิดก็ต้องต้องระมัด ร, ระวังแล้วครับกับกตัว14วันนะครับเพราะตรงตรงนี้ตรงต้องดูนะครับ นะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าจะเชื่อมโยงหรือไม่ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าไปรับซื้ออาหารทะเลมาก็มีการปิดตลาดล้างตลาดกันไปแล้วนะครับนะนะเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูด้วยนะครับแนตะ่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะซึ่งคงจะต้องดูนะครับว่าจะทําอย่างไรจะป้องกันกันอย่างไรซึ่งตรงนี้นี่ ในส่วนของกระรวงนี่จะเข้าไปดูสุขภาพแรงงานข้ามชาติก็คือพม่าะครับที่มีการกักกันอยู่ที่หอพักบริเวณตลาดกลางกุ้งนะครับมีการตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับนะถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็มีมีแต่ค อ, อยดูแลครับนะมีการตรวจหาเชื้ออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ในส่วนของ คุหมอเนี่ยเข้ามาดูแลนะครับแรงงานนะพะมา่านะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะมีการเข้าไปตรวจดูเอกสารนะครับในส่วนของแรงงานพมา่านี่ก็พบว่าเกือบครึ่งเนี่ยก็เป็นแรงงานเถื่อนซึ่งเขาบอกว่าแรงงานที่เข้ามาในทางานในบ้านเราอย่างผิดกฎหมายก็คือไม่มีเอกสารนะครับไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารอนุญาตทางานคือ ปกตินี้ถ้ามาทำงานนี่ในจ้างก็ต้องพาไปขึ้นทะเบีย น, นกับกระทรวงแรงงานล่ะครับนะพะในตรงนี้คงจะต้องดูมารับฟังเพลงสักเพลงนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ยิงสีขาวคือชาวพยาบาลคืนวันผ่นานผ่านยังซึงในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้สมสารไปเป็นคนไข้อนาถา ในความเลือนลางฉันเห็นนางก้าวมาในมือถือยาดวงน้ามีความห่วงใยไม่จับไมค่คลําไม่รังเกียจกลิ่นไอฉันลูกชาวไร่เป็นคนไข้จน เธอคือดอกไม้อยู่ในป่าเหงาเธอคือสีขาวในโลกสีดำเธอคือตัวแทนแห่งเมตตาธรรมช่วยอุประรภมคำจุนคนโสผู้หญิง สีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกมไม้จากรายใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่สนเล่กลนให้เธอสุขโลนบนถนนสีขาว ปวดร้าวผู้หญิงสีข้าวเธอก้าเข้ามาอย่าเม็ดในมือช่วยบำบัดตายารอยยิ้มเป็นหน้าช่วยรักษาดวงใจเธอคือดอกไม้ จุนคนโสผู้หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไม้จากร้ใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่สนเล่กนให้เธอสุขล้นบนถนนสีขาว โปรดรับดอกมาจากไรใจม่วนชนครับมาพูดมา คุยกันต่อนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิด -19 โควิด -19 นะครับ่ที่เริ่มมีการกระจายกันไปในหลายพื้นที่นะครับซึ่งสื่อก็บอกว่าเป็นการระบาดรอบ2ในส่วนของอในส่วนของหมอก็บอกว่าเป็นการพึ่งระบาดรอบใหม่ก็ใช้สับแสงกันไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตรการนะครับในการที่จะ มาควบคุมเนี่ยจะต้องเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะมาตรการที่ตั้งรับในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีการกระจายกันไปเนี่ยอาจจะต้องมีการนําเอามาตรการเมื่อต้นปีมามาใช้กันกันหรือไม่นะจจะมีการล็อกดาวน์กันบางบางพื้นที่หรือไม่เนี่ยคงจะต้องคงจะต้องดูนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาของ หน้ากากอ น, นามัยเนี่ยจะต้องควบคุมแหะครับนะไม่ให้ราคาสูงเพราะคราวที่แล้วนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการกักตุนทําให้ราคาเนี่ยสูงมากนะครับนะหน้ากากอนาม่นะครับตามที่รัฐกำหนดนี่ก็ไม่ไมด้เป็นไปตามนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะคงถึงต้องดูถ้าถ้ามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยกันในทุกภาคส่วนนี่ก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะ มีการควบคุมการระบาดของของโรคโควิด 19, -19 ได้และแต่นะว่าอย่างอย่างที่บอกแล้วคงจะต้องมีการออกนโยบายที่ชัดเจนนะเร่งด่วนออกมานในส่วนของของรัฐบาลนะครับว่าจ ะ, ะสั่งการอย่างไรซึ่งซึ่งตรงนี้ในในส่วนที่นายงตีแถลงกันก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะยังยังไม่ได้มีคําสั่งที่ชัดเจนก็ต้องรอนะครับว่า อาจจะมีมาตรการอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่นะเทศกาลปีใหม่ซึ่งใกล้จะมีการเฉลิมฉลองแล้วเนี่ยนะครับนะขา แ, แต่หลายๆจังหวัดนี่อย่างที่บอกแล้วครับประกาศเอ่งดนะครับการจัดเทศกาลปีใหม่นะเขาดาวนะปีใหม่กันไปแล้วหลายจังหวัดนะครับนะเพราะนันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าคนมาชุมนุมกันมากก็จะมีผลนะมีผลต่ อ, เ, อเรื่องของอาการระบาดนะของของเชื้อโรคได้เหมือนกัน ซึ่งเราจะเห็นเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศในเชื้อโรคถ้ามาจากสายยุโรปนี่ค่อนข้างที่จะติดกันได้ง่ายแล้วก็รุนแรงนะตอนนี้ในเห็นที่หนักหนว่วงเลาจะเห็นที่อังกฤษนะครับที่อังกฤ ษ, นะนะกฤษนี่ก็เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะครับนะที่มีการาระบาดที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นทําให้มีการระบาดที่อังกฤษในหลายประเทศนะมีการางดเที่ยวบินจากอังกฤษที่บินเข้าประเทศตัวเองนะครับก็นะ ทั่วโลกเลยมีกันไม่รับเที่ยวบินจากอังกฤษนะครับเนี่ยซึ่งมีมาตรการที่ดําเนินการกันไปไปแล้วเพราะกลัวว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาระบาดมันตรงนี้นี่เราจะเห็นว่าในต่างประเทศนี่การระบาดยังค่อนข้างที่จะรุนแรงกันอยู่นะในแต่ในบ้านเรานี่ก็เบาบางกันไปนานก็พึ่งมาเริ่มจากตลาดกุ้งนะครตลาดอาหารทะเลที่สมุทรสาครนะเป็นหลักนะแล้วอากาศก็หนาวเย็นในช่วงนี้ด้วยเพราะในตรงนี้นี่คง คงจะต้องระมัดระวังนะกับกิจกรรมที่มีการร่วมตัวของประชาชนจำนวนมากนะครับนะก็จะมีผลเหมือนกันนะมีผลเหมือนกันนะมาั้นช่วงนี้นี่คงอาจจะต้องงดการชุมนุมใ น, ในที่ส่วนรวมจำนวนมากนะครับนะมาทำกิจกรรมในพื้นที่อาจจะต้องใช้โซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับนะค่อนข้างที่จะห่างกันกันไปนะครับนะในส่วนของ หลายคนไปทําเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแหะครับในหลายกิจกรรมเนี่ยนะเครือข่ายชาวบ้านเนี่ยไปทำการเกษตรอยู่ตามเลือกสวนไรนานะครับนะเครือข่ายของปลาชาวบ้านนะในหลายๆส่วนเนี่ยทำส่งเสริมตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีแหะครับนะเพราะเป็นโซเชียลดิสแตนซิ่งแหะครับนะอยู่ในไรนาปลูกพืชผักต่างๆนะหลายคนทําสวนป่านะครับเลี้ยงปลาบ้างนะตาม แนวทฤษฎีใหม่แนวโคกน้องนาโมเดลอะไรต่างๆนี่มีการทำนะะกิจกรรมที่เป็นด้านการเกษตรนี่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ไม่เหมือนอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าไปรวมกันในโรงงานขนาดใหญ่เนโอกาสแพร่เชื้อนี่มีสูงนะแต่ว่าถ้ากระจายกันไปตามเลือกสูงได้นานี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่สามารถที่จะป้องกันโควิด1 9นได้เหมือนกันนะก็หลายคนลองมาทากิจกรรมทา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 ตากรรมร่วมกันทุกคนคือหนึ่งในนั้นในสนามรบสงครามโควิดให้ดูแลระวังตนเองช่วยลดสกดเชื้อสู่คนใกล้ชิดคนไทยพร้อมใจฝ่าวิกฤตโควิด19ายังรู้เท่าทัน แกใจให้คุณหมอพยาบาลมดงานนิลนามแห่งสาธารณสุขมากนันาากนั้นมไม่พอสำหรับคุณหมอพยาบาลและผู้ป่วยใครมีขอจงมาช่วย มาบริจาคให้โรงพยาบาลรณรงให้มันล้างมือกินร้อนใช้ยชดกลางส่วนตัวป้องกันสัมผัสสารขัดลังระวังมือที่เปื้อนไปจับใบหนะ้าทิ้งนากากติดเชื้อให้ถูกที่ถูกทาง กันฝ่าฟันไม่เห็นแก่ตัวในภาวะที่คับขันข้ามรูปลายไปด้วยกันสามที่เถิดพ้อมไทย ำนำมาดานักอาวุธอนณาไมยสำหรับผู้่วย ห, หมอพยาบาลจงรวมมือรวมใจกันฝ่าฟันไม่เห็นแก่ตัวในภาวะที่คับคันข้ามโลก้ายไปด้วยกันสามาีเถิดองไทย ไม่เห็นแต่ตัวนหนภาวะที่ขับพันภาบโลกหายไปด้วยกันสามัคคีพี่น้องไทยฝันลายจะมม่ลายไปด้วยเราคนไทยร่วมกันฝ่าวันขอส่งแรงใจให้คุณหมอพยาบาลพดงการอินละนา